บทภาชนีปาจิตตี5 4าภิกษุทำภาพน้ำฝนเกินขนาดที่ตนทำครั้งไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตตปาจิตตีภิกษุใช้พูนให้ทำภาพน้ำฝนที่ตนทำคั้งไว้ต่อจนสำเร็จต้องอบัตตปาจิตตีภิกษุทำภาพน้ำฝนที่พู้นทำครั้งไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตตปาจิตตี ภิกษุใช้ผืนให้ทําภาพน้ําฝนที่ผู้อื่นทำคังไว้ต่อจนสําเร็จต้องอวบติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทําเองหรือใช้ผืนให้ทําเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอวบทุกกฎภิกษุได้ภาพน้ําฝนที่ผู้อื่นทําไว้มาใช้สอยต้องอวบทุกกฎ